ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคม2552มีชื่อเรื่องว่ายักษ์กินคนก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะแนะ นำคุณค่าของศิลปให้แก่คณะครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้นำของเด็กนักเรียนเพื่อจะได้รู้ดึกซึงหรือเข้าใจชัดเจนในศิลปครูบาอาจารย์จะได้นำแนะนำหรือสั่งสอนลูกหลานนักเรียนของเราให้เข้าใจ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 เยียกเย็นผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมเพราะนั้นก่อนที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจในศีลก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นการอาศัยการได้ยินได้ฟังเราจะได้ฟังจากใครจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์ที่จะเข้าใจในหลักธรรม พราพระสงฆ์เป็นผู้อยู่วงในเป็นผู้อยู่เบื้องอเบื้องต้นถ้าว่าพระสงฆ์ไม่อธิบายให้ฟังพกคณะครูบาอาจารย์ก็คงจะเพียงตะรับศีลเป็นประเพณีเมื่อไปทําพิธีอย่างพวกเราท่านทัน้งหลายมาในวันนี้ก็พอมาถึงแล้วขอไหวพระโปไหวพระเสร็จแล้วขอสมาทานศีลเมื่อทามาสานศีลพระสงฆ์ ผู้เป็นประธานก็ให้สินพวกเราก็รับสินและก็จบกันอก็เป็นที่รู้กันว่าสินห้านั้นมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่เอมุสาโกหกไม่ถึงสุราก็ห้าข้อจะไม่รู้หรอเพียงเท่านี้อันนี้ก็คือพวกเราที่เป็นที่รู้รู้กันแต่พอต่อมาแล้ว ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีไม่ได้รับการให้ควรทบทวนให้ดีก็ถือว่าสินไม่เป็นของคนแก่คนเฒ่าคนกดระหว่างคนไม่มีงานการทำแล้วจึงสมควรจะรักษาสินพวกเรากำลังทำการทํางานอยู่เดียเ๋ยวนี้ตัวเป็นเกลียวอยู่ย่างจะมัวเมียตุ้มเตรียมจะรักษาสินอย่างนั้นได้หรื มีแต่พวกเนี่ยแหละถ้ารักษาสินอย่างนั้นจะไปทันเขาได้อย่างไรถ้าคนมีแต่มัวแต่รักษาสินอยู่อย่างนั้นศินเป็นของคนเท่าคนแก่เท่านั้นแะโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคนนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างครูบาอาจารย์มาวันนี้แหละหลวงพ่อจะต้องแนะนําเรื่องศินให้แก่พวกครูบาอาจารย์ให้ได้ยินได้ฟังว่าสิน ม, มีคุณค่าอย่างไรกฎหมายมีคุณค่าอย่างไร ต่อประเทศชาติต่อชุมชนสังคมแต่ถ้าว่าศีลและกฎหมายมีคุณค่าเท่าเทียมกันศีลของพระพุทธเจ้าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองลึกกว่ากฎหมายกฎหมายนะคุ้มครองได้ในในที่แจ้งทําไมจะว่าในที่แจ้งถ้าว่าใครไม่รู้ใครไม่เห็น่กฎหมายนั้นยังไม่ถึงเพราะเขาปฏิเสธแล้วทั้งที่ตัวเองทำํำแท้แต่ว่ามี แต่ตัวเองปฏิเสธว่าไม่ได้ทากฎหมายอย่างไม่ถึงแต่ทาคาสั่งสอนลู่พระธรรมพระศิลและธรรมของพระพุทธเจ้าเลยถึงจะใครเห็นหรืไม่เห็นก็าตามคือเจตนาของเราเป็นหลักใจคือเจตนาคือตั้งใจทาเรืยก ว, ว่าแกล้งทาหรือทาลงไปโดยเจตนาถือว่าผิดละผิดศีลธรรมล ะ, ละเหมือน ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับเราจับไฟในห้องอย่างนั้นปิดประตูให้ดีไม่มีใครเห็นจับคนเดียวไฟร้อนไหมร้อนจับในที่สาธารณะคนเห็นมากๆกร้อนไหมร้อนจับที่ไหนก็ร้อนใช่ไหมไฟใช่จับที่ไหนก็ร้อนหมดเพราะมันเป็นไฟในหลับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความชั่วนั้นคือไฟ จะไปทํานสถานที่ใดทําในที่รับก็ตามทําในที่แจ้งในที่สาธารณะก็ตามอันนั้นคือความชั่วไม่ควรจะทำเพระพาะผู้ได้จารว่าอากตังดุกตังเสโ ย, ยปัชชาตะปฏิดุกตังกรรมั่ว์อย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมโชวนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะะฉนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้ง แต่กฎหมายบ้านเหมือนนักคุ้มครองในที่แจ้ง้างควาไม่มีใครเห็นแนละ้วกฎหมายยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้มารับการอบรมในวันนี้อันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านะโมนะโมตัศเสะประคะวะตัระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพวกเราจะกล่าวนะโมก่อนทาไมจึงกล่าวนะโมนะโมแปลควาว่าอะไร อันนี้ก็พวกเราไม่ได้เร้าเรียนศึกษาในพระบาลีเขาว่าก็าว่าไปตามเขาแต่ความแปลและความหมายนั้นนะโมตัสสะปะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสักแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุท ธ, ธเจ้าเราทําไมจึงกล่าวนะโมเพราะว่า ที่พวกเราจะสมาทานสินเนี่ยสินห้าประการเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเป็นต้นไอเดียนะฮะเป็นต้นความคิดเอเป็นคนที่คดคิดคน้นเออที่จะนำศีลธรรมมาให้พวกเรามาปกครองพวกเราเนี่ยเออพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผ้นคิดเพราะนั้นก่อนที่เรา จะรับศีลเนี่ยเราก็ต้องนอบน้อมเคารพเพราเราเคารพนับถือเลื่อมใสาศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่เราจะสมาทานเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากทํำให้โลกโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมพเพราะเพราะเหตุ น, นั้นพวกเราจึงเป็นสาวกตั ว, วเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสีพระพุทธเจ้าเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนํา ทำสั่งสอนแล้วแนวไอเดียแล้วแนวความคิดนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นเราจรึงนอบน้องพระพุทธเจ้านะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งสามครั้งจากนั้นพุทธังทำมังสังขังสระนางังคัจฉามิข้าพเจ้ า, พ า, าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งดุติยามปิดพุทธังทำมังสังขังสระนางังคัจฉามิ ตาตียำปีพุทธังทำมังสังขังสารนังขจามีกล่าวถึงสามครั้งยืนยันถึงสามครั้งหมดจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งรดุติตาติครับจากนั้นทําไมเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองจากนั้นพระองค์ได้นำธรรมคําสั่งสอนของพระองค์มาประกาศมาเผย แค่ขยายผลให้แก่พวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นเราจรึงได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติผู้ที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นใครตระหาพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่นำมาเผยแพร่มาขยายผลสืบทอดกันมาเมื่อสองพันกว่าปี แต่ถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นํามาเผยแพร่และสื่อทอดกันมาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้างหมดในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีใครนํามาของดีนํามาเผยแพร่มาแจกจ่ายให้แก่พวกเราเพราะนั้นเราระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นความคิดเป็นต้นพระบัญญัติให้แก่พวกเราและก็คือบัญญัติพระธรรมคือคําสั่งสอนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ แต่โลกทั้งหลายและพระสงฆ์นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเพราะฉนั้นเราจรึงคิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งแปลว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราจากนั้นก็พระสงฆ์ผู้ที่ท่านนําสมาทานสินก็กล่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามิข้อที่หนึ่งสินข้อที่หนึ ความแปลหรือความหมายก็ว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันนะมนุษย์ทั้งมนุษย์โลกทั้งโลกอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าพวกเราต้องการความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันแหมเราก็คิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาติฆ่าประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเรา เมื่อการคิดค่ากันอย่างนั้นความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็จะไม่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นในยุคนี้สมัยนี้ถ้ามีการคิดค่ากันถ้าว่าพวกเราไม่คิดค่ากันเห็นกันแล้วก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายกันให้อภัยซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นจุกได้อันนี้คือสี่ข้อที่หนึ่งคือไม่คิดค่ากันชีวิตเขาชีวิตเราใครก็รักสงวนหวงเห็น ทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงสู้ชีวิตของเราไม่ได้ชีวิตของเราหนึ่งรักที่สุดใครจะเอาอะไรไปก็เอาไปเถอะแต่อย่าฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอชีวิตนะเพราะนั้นชีวิตมันเป็นที่รักอย่างยิ่งสําหรับผู้คนทุกคนถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่ลูกเมียวงศาคณาญาติประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็เสียใจเพราะว่าไปฆ่าคนของเขาถ้าเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่า มนุษยชาติถ้าว่ามีการคิดฆ่ากันจะหาความสงบพร้มเย็นเป็นจุกไม่ได้เพราะนั้นจันจริงว่าอย่าฆ่ากันนะอันนี้หลับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองอธินาทานเาวรามณีอย่าคิดขโมยกันนะพวกเราอยู่ด้วยกันอย่าคิดโกงอย่าคิดไม่ดีต่อกันอย่าขโมยซึ่งหน้าอย่าขโมยรับหลังอย่าป่นอย่าคดอย่ากโกงเขา เพราะถ้าว่าเราไปทำอย่างนั้นทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเราไปขโมยพ่อแม่ของเขาลูกเมียของเขาพวงศนะาณาคณญาติของเขามาเรียกค่าไถยเขาก็เดือดร้อนเป็นทุกใจถ้าเขามาเรียกพ่อแม่ลูกเมียของเราไปเรียกค่าไถยละเราก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันนะอย่าขาโมยของกันจะเป็นรองเท้าจะเป็นสิ่งของอะไรก็าตามถ้าเป็นของเขาเราให้เคารพสิทธิ์เขา เขาทุกคนก็ให้เคารพศิษยซึ่งกันละกันโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะหาความสงบจะต้องแต่ครับความสงบพร้อมเห็นเพราะไม่มีขโมยแต่ถ้าว่ามีขโมยกัน เ, เดือดดาลเ ด, ดินไปแล้วในยุคนั้นหาความสงบเป็นฝุ่งไม่ได้เพราะขโมยมากนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่ข้อที่สองข้อที่สามกามีสมิชาจาราเวิรามณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขารรก็รกสังวนห่วงเหน ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ําเขาล่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ําเราสามีภรรยาลูกของเราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอย่าล่วงล้ํากันถ้าว่าเราไปล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจของเราก็เช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์กัน <S <S แต่ประเพณีของโลกมีการสู่ขอหรือมีการทําตามประเพณีอันนั้นมันถึงนเรื่องถูกต้องตามศีลธรรม ตามกฎระเบียบของโลกเป็นไปอย่างนั้นแต่เราไปบังคับผูกเข็นไปในทําที่ไม่ถูกต้องไม่เคารพสิทธิเขานั้นอันนั้นคือความไม่ถูกต้องเดือดร้อนเขาเดือดร้อนมาถึงเราเราก็เดือดร้อนถ้าพวกเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วดีไหมเนรศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมะนีอย่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาถ้าว่าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขา เขาก็เสียหายเขาก็เสียใจเอบเอาของปลอมไปหลอกเอทองเกเป็นไปขายว่าเป็นทองดีอย่างนี้ยเอบเอาตะขัวไปขายว่าเป็นทองชุกขึ้นมาน่ะเอถ้าเขารู้ล่ะเขาเสียใจอย่างมากเสียใจทั้งวงสาคนาญาตเพราะถูกต้มตุนหลอกลวงการต้มตุนหลอกลวงคํานี้มีมากอามีมากมีหลายระดับ แ, แต่ถ้าว่าพวกเศรษฐีพวกมีเงินอย่างพุกวันนี้แหละเศรษฐกิจอย่างนี้ล่ะ เผื่อเขียนเช็คคำประกันเอาไว้ผลที่สุดก็เช็คเด้งเพื่อตัวเองจะได้หนีให้ไกลซะก่อนอผลที่สุดก็นั่นแหละปัญหาก็เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเพราะเหตุอะไรเพราะว่าโกหกทำอย่างนี้คือตระกูลโกหกทั้งนั้นาโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันมีแต่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่า เราจะหาความสงบผ่อเย็นเป็นสุขได้ไหมแป่ว่าไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุใดเพราะว่าโลกไม่ไว้ใจกันมีอะไรก็มีแต่ต้มตุลต้มตุลหลอกลวงกันอันนี้แหะคือสินข้อที่สิข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์และกัากัญชายาฟินเฮโรอีนโคเคน มีมากมายทุกวันเลยยาตรงยาดำผสมกับนั้นผสมกับตรงนี้เป็นยาขึ้นมาแล้วก็ทาให้ผู้เสพหรือผู้ดื่มเข้าไปแล้วเหมือนเมาทาให้สติขาดสติในการเป็นอยู่ล้วนแล้วจะเป็นเป็นพิษเป็นยัยสาหรับพวกผู้คนทั้งหลายที่เสพที่ดื่มเข้าไปเพราะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินอันตรายมากคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้า ถ้าคนเป็นบ้าขาดสติแล้วทำความชั่วดีทุกอย่างข่าพ่อข่าแม่ก็ได้ฆ่าลูกข่าเมียข่าใครทุกคได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติอทินนาธานขโมยของใครก็ได้กาเมสุมิชฉาจาการกระชากลากถูสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะดึงสุราล้ขาดสติเพราะนั้นสิ่งของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อพวกเรามาวิเคราะห์หรือสิ ว, ว่า มีประโยชน์ไหมต่อชุมชนและสังคมและสมควรให้แก่ใครเป็นผู้รักษาสินแน่ย้อนมาถามจุดนี้อีกสมควรจะให้พระรักษาศินเท่านั้นใช่ไหมสมควรจะให้คนแก่รักษาสินใช่ไหมแต่หลวงพ่อฟันทงลงไปได้ว่าสมควรแกท่ทุกคนจะต้องรักษาสินถ้าวันโลกทั้งโลกต้องการความสงบร่อนเย็นเป็นถุกท่วงหน้ากันแล้วทุกคน ตหันหน้าเข้าสู่ศิลธรรมตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่ห้าถ้าโลกทั้งโลกเทิดทูนบูชาศิลธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขในยุคสมัยที่พวกเราเทิดทูนบูชาแต่ถ้าโลกทั้งโลกว่าศิลธรรมเป็นของคืบของลาสมัยเป็นไดโนเสาร์แล้วเอาของอย่างอื่นเข้ามาฆ่า เ, เป็นผู้ฉลาดเบียดเบียนใครเลย หมู่ของข่าเนี่แหละเก่งหมู่ของข่าเนี่แหละมีความสามารถต่างคนก็ต่างข่าจริงมีแต่กลุ่มของข่ากลุ่มนั่นก็กลุ่มข่าหนึ่งผลที่ชุดก็ถลม่มกันไปถล่มกันมาพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นไหมในชุมชนสังคมของพวกเราเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติถึงใครจะไม่รักษาก็ตาม ภูมบาลอาจารย์ทั้งหมดที่ได้ฟังอยู่นี่แหะที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเออที่เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ปัจบันนี้เราได้ยินได้ฟังเลยศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าคนขาดสติมันเป็นยังไงคนกินเหล้ามันไม่รู้จักการไม่รู้จักงานไม่รู้จักความรับผิดชอบเป็นที่รังเกียจแต่ตัวเองไม่รู้หรอกแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการงานของกลุ่มนั่นแหละเขาบองเราไม่อยู่ในสายตาเลยแบะนั้นแ่ะ แต่เราไม่รู้ฟรเหตุ อ, อะไรเพราเราขาดสติแต่คนอื่นๆนะเขามองเราแล้วเป็นอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราดูตัวของเราทุกๆท่านที่อยู่เป็นโดยเฉพาะาจริงเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่มาในวันนี้ทั้งหมดที่เป็นครูบาอาจารย์เกือบร้อยสองร้อยท่านอยากจะให้มีศีลธรรมถ้าว่าใครขา้ตามไม่มีศีลธรรมข้าพเจ้าคนหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนแน่ถึงใช่พระเจ้าจะรักษาสิ่งข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าก็มีอยู่มีกินข้าพเจ้าไม่ขโมยข้าพเจ้าก็มีอยู่มีกินข้าพเจ้าเคารพศีลสามีภรรยาคนอื่นเขาเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วคนอื่นเขาไม่มีเคารพศีลกันนั้นมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ในจิตใจถ้าใครโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาก็ตามข้าพเจ้ารู้แล้วครัคือความทุกข์คนดื่มสุราก็เหมือนกัน ไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานมีแต่ความทุกข์ทางนั้นเพราะนันข้าพเจ้ารู้แล้วว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่านับหนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าถึงจะไม่ได้ทั้งห้าข้อก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นต่อไปคนนับเรียงขึ้นค่อยๆนับมีสองมีสามมีสี่มีห้าในเมื่อครบทั้งครบทั้งห้าข้อแล้วทีนึงนับหนึ่งจากข้าพเจ้าคนหนึ่งก็นับหนึ่ง หนึ่งบกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสีจะไปเรื่อยๆเองเพราะเห็นคุณค่านะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เห็นคุณค่าในศีลธรรมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนแ่พระเท่านั้นแหะควรจะรักษาศีลห้าหัวหน้าเท่านั้นเป็นผู้ใหญ่สมควรจะรักษาศีลห้าลูกน้องไม่เป็นไรหรอกเราเพราะเราไม่ได้เป็นหัวหน้านไม่จําเป็นจะต้องมีศีลห้าเหล่นั้นลูกน้องหัวหน้าก็ไม่ไว้ใจลูกน้องเหมือนกันเพราะมันไม่เป็นศีลธรรม มันจะฟดโกงยังไงก็ไม่รู้ให้ทําการเงินการท้องขึ้นมาไม่รู้จะออกมาไม้ไหนที่ผลที่สุดก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยการทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะว่าพวกเราขาดศีลธรรมแต่ถ้าว่าทุกคนมีศีลธรรมแล้วหัวหน้าโยนให้ใครทําลูกน้องก็ทําด้วยความตั้งใจมอบหมายหัวหน้าเป็นผู้ดาเนินการและพวกเราก็ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจหัวหน้าเป็นผู้มีศีลธรรม เพื่อนร่วมงานด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันเพราะว่าพวกเรามีชินธรรมในกลุ่มเดียวกันเนหนักหนาอย่างไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันจัดการเพราะอาชีพหน้าที่ของพวกเรามันเป็นอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงกฎหมายก็คือไทยกฎหมายบ้านเมืองที่บัญญัติขึ้นมาแล้ว กฎหมายทั้งหลายทั้งปวงสมควรจะใครจะเป็นผู้รักษาเอ้ยที่ภากษาอายการตำรวจเท่านั้นแหะเป็นผู้ถือกฎหมายพวกเราเป็นราษฎรเนี่ยยัยไม่ได้เรียนทางกฎหมายไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคนในชาติทุกคนเมื่อตั้ง ก, กฎกติกาขึ้นมาแล้วถึงจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายก็ตามพวกนั้นต้องได้รับโทษเสมอกันเพราะเหตุใดเพราะว่ากฎหมายได้ตั้งขึ้นมาแล้ว น, นี้ก็เหมือนกันศีลธรรม ถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบพร่อมเย็นเป็นจุกก็จะต้องเป็นผู้มีศิทธิดังที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นําแนวความคิดของหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอฟังพูดไม่ผิดก็แล้วกันพูดด้วยหลักเหตุผลจากนั้นครูบาอาจารย์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะนําไปสั่งสอนลูกศิษย์นักเรียนทุกระดับชั้นหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อประเทศชาติบ้านเมือง มากทีเดียวทั้งโลกทั้งโลกมีศีลธรรมอยู่อยู่ในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ควรจะยัดเยียดให้แก่เด็กนักเรียนนักเรียนอย่าฆ่ากันนะนักเรียนอย่าขโมยกันนะอนักเรียนให้ระมัดระวังพี่น้องของเขาเขาเสียใจนะอนักเรียนอย่าไปโกหกกันนะนักเรียนอย่าไปดื่มสุรานะถ้าครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างให้แก่เขาแล้วนักเรียน ที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาญเป็นนักเรียนของพวกเรานักเรียนเหล่านั้นก็จะเป็นคนดีเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไปตามลําดับเพราฉะนั้นถ้าว่าครูเป็นผู้ทาธรรมใชเองนักเรียนเหล่านั้นก็คงจะสอนยากนะคนทะี่สุดก็ไม่รู้ว่าใครจะสอนใครแต่คนะนะออนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์พวกทุกท่านต่อ น, นี้ไปเมื่อรู้คุณค่าของศีลค่าประการแล้ว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 อมมาจโรกาติปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวรางอิยาตะสันติ ส, สันตากรัสกัาติกาเทเทตุธรรมังอนุธรรมพิมังประชังเออนั่งตามสบายๆนะที่นี่นะเดี๋ยวหวพ่อจะเทศอะไรให้ฟังนะออแสดงธรรมให้ฟัง จะไปคุยกันนะคันธว่าใครก็ตามมีโทุระที่จะต้องคุยกันออกไปคุยกันข้างนอกจะมาคุยกันในบริเวณศาลาแล้วก็ใครมีโทรศัพท์ก็ปิดไว้คนเดีอนกันนะอปิดไว้โทรศัพท์ไว้ซะเพราะช่งให้เป็นช่วงฟังธรรมพวกเราหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากพวกคุยโทรศัพท์กันเนะ่ะมันหาโอกาสไม่ยากเลยพอาฝูดจบแล้วเทศจบแล้วจะคุยกันยังไงก็ได้แต่ขณะที่ฟัง โวาดแล้วฟังแนวความคิดของหลวงพ่อก็ขอให้อยู่ในความสงบเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าพระดงนะเนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เดินดูนั่นแหละเป็นพระป่าพระดงจริงๆต้องการความสงบความเงียบจริงๆเพราะนั้นมีเสียงอะไรแปลกปลอมขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อจะพูดไม่ค่อยออกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ่ายรูปนะในขณะที่หลวงพ่อกําลังพูดห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดทํามันแฟ เข้ามาในตาหลวงพอ่อเป๋เลยว่างั้นพูดไม่ออกเลย <laughs> เพราะนั้นใครจะถ่ายก็ถ่ายก่อนเรื่องวัาทีหลังจบแล้วจะถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ได้ห้ามแต่ขณะที่หลวงพ่อกําลังพูดนะห้ามถ่ายห้ามถ่ายภาพแล้วก็ให้อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันแล้วก็ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนมีอะไรยังค่อยว่ากันทีหลงังคมีใครมีธุระที่จะต้องพูดคุยกัน อ, ออกไปคุยข้างนอกได้อี่ <laughs> ขณะนี้เป็นโอกาสที่ฟังธรรมการสถานที่บุคคลเราต้องเรียนรู้ทางครูบาอาจารย์ไม่เรียนรู้การสถานที่บุคคลแล้วใครจะเป็นผู้เรียนรู้การคืออะไรคือการก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเรามาฟังเทศมาฟังธรรมของพระพระจันท์ท่านจะได้แนะนําสั่งสอนวิธีการของท่านให้แก่พวกเราฟังเพราะวิชาในโลกมันมีมากมายเหลือเกินแต่ขณะนี้พวกเรามา มานั่งฟังพระศิลอยู่ในป่าอธิบายแนวความคิดของท่านให้แก่พวกเราฟังเนี่ยพวกเราก็ต้องตั้งใจฟังว่าท่านมีแงบแนวความคิดอย่างไรท่านจึงมาอยู่ณสถานที่อย่างนี้นีอันนี้ว่าการสถานที่เมื่อเราเข้ามาสถานที่ก็คือวัดวาศาสนาอย่างสาลาีอย่างนี้มีพระประธานอย่างนี้น อ, อมาเข้ามาแล้วเราก็ควรแสดงความเขารบต่อสถานที่เ อ, อเราจะไม่แสดงความก้าวร้าวไม่แสดงความไม่เคารพ เพราะมือเข้ามาสถานที่แล้วแต่เมื่อเราไปสถานโรงหนังโรงละครเรอาอก็ตบมือเฮฮากันไปแต่มาสถานที่อย่างนี้เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องแสดงความเคารพการสถานที่บุคคลก็เหมือนกันเมื่อเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อมีแนวความคิดอย่างไรเราต้องฟังต้องเคารพต่อบุคคลว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร ให้แก่วพวกเราท่าทั้งหลายได้ฟังนี่แหละอนิวาการสถานที่บุคคลอัตถันยุตามัตตันยุตาการันยุตาปริสันยุตตาปกครอปโรป ร, ป ร, รัญยุตาในพระวันีธนมานนะมัตตันยุตาอัตถันยุตาให้รู้จักตนตนว่าด้วยหน้าที่ตําแหน่งเราเป็นใครมัตตันยุตาให้รู้จักประมาณตนเราทำควรทําตนอย่างไรปริสันยุตา ให้รู้จักประชุมชนประชุมชนเขาทําหน้าที่อะไรเขาทำยังไงอริสัิตาการันุจาการทิ่นี้เราควรทํำยังไงปุคละประโปรปันยุตาบุคคลกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาเราควรทําตนอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนหมดสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาไปนสถานที่ใดให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความ ร, รอบครอบแต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเอาตนเข้าไปทํามันขวางนะแหม่มันขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางคู่วาจย์แหม่ขวางสังคมเข้าไปหมดนะแนม่เพราะเหตุไรเพราะตัวเองทําไม่ทุกนะเพราะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายมาณสถานที่นี้แหม่ก็อย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกันนะตอจากนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแนวความคิดของหลวงพ่อให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ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 อัตตสัมมาปณิธิเอตัมังคารมุตตะมันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะครูบาอาจารย์มีท่านพออเขตสรีจัวัดสอพอถอ่าตหลวงพ่อจะไม่ผิดนะแห่นพ่อหลวงพ่ออยู่ในป่าอาจจะใช้สับผิดก็ได้ สพทเขตสีจังหวัดอุดรได้ชักชวนครูบาอาจารย์ในสีอำเภอคืออำเภอบ้านผืออำเภอนามโสมอำเภอกุดจับอำเภอนายูครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้มารวมกันได้มาที่วัดของหลวงพ่อวันนี้ถ้าจะว่าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าออกข่ขย หรือว่าอบรมศิตธรรมจริยธรรมของครูบาอาจารย์เพราะนั้นจึงได้รวมกันมาณวัดหลวงพ่อวัดปันหาคาน้อยแห่งนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็หน้าภาคภูมิใจอย่างมากเห็นครูบาอาจารย์เข้าวัดเข้าวาเข้ามาปฏิบัติธรรมและอย่างน้อยก็คงจะได้นำธรรมะธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา ไปนําไปเผยแพ่ขยายผลให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนเขาเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดยังไม่มีอะไรแป๊บเปื้อนมากถ้าว่าครูบาอาจารย์เรนนำทำคําสั่งสอนเอาไปบอกกล่าวหรือเอาไปแนะนําแก่พวกลูกหลานเหล่านั้นพวกลูกหลานเหล่านั้นก็คงจะเป็นคนดีของชาติ เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติแต่ถ้าว่าพวกผูกหลานไม่ได้รับการอบรมในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมีแต่นระแวงหงวัวไม้ขโมย โ, ยโจรในชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองของเราจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรดัง น, นั้นครูบาอาจารย์ที่มาสู่วัดของหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อจึงมีความสบายใจหรือว่ามีความ ภาคภูมิใจถือว่าเป็นมงคลมหามงคลพวกเราได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติจะได้นําสิ่งเหล่านั้นเอาไปแนะนําสั่งสอนลุกศิษย์ลูกหาแต่ว่าก่อนอื่นที่พวกเราจะนําความรู้ความฉลาดสามารถไปแนะนําคนอื่นนั้นให้ในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะให้พวกท่านบอกว่าให้ ให้ชมระตัวเองสะกะ่อนเหตุละจุดนี่แหละอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะนำทำคำสั่งสอนของพระองค์ไปประกาศไปเผยแผ่ขยายผลพระองค์ก็ไปฝึกพระองค์อยู่ในป่าดวงฟงไยถึงหกปีไปซ้อมไปทำความเข้าใจไปลองผิดลองถูกในวิชาการที่พระพุทธองค์จะได้นำมาแนะนำสั่งสอนนั้น พระพรองค์ได้ไปทดสอบทดลองเป็นที่แน่ใจอืมจะว่าบรรลุมรคผล่นหรือวจบจบในการศึกษาจบในการประพุทธปฏิบัติไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วจากนั้นจากนั้นพระองค์จะแนะนำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ขยายผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าก็น่าจะ ถึงจะไม่ทําอย่างพระพุทธเจ้าแต่อย่างน้อยพวกเราก็ควรจะนําศีลธรรมจริยธรรมนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรงกายวาจาของพวกเราให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนคนทั้งชาติก็มอบให้พวกเราเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกสอนหลานของเขา และก็พร้อมกันเขาก็เสียสลเัเงินภาษีอากร อ, อย่างประเทศชาติไทยของเราเ็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไม่ใช่ประเทศเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างประเทศอื่นเขาเพราะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีความประหยัดและก็พร้อมกันถ้าว่าพวกเราวว่าเงินเดือนของเราน้อยเราก็ให้มองมองดูพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษี ให้แก่พวกเรานั้นเขาอยู่อย่างไรให้พวกเรามองเนีเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนนะท่านว่ามองโลกให้มองต่ํามองธรรมให้มองสูงมองโลกก็คือมองให้มองต่ำนั่นคือการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีให้แก่เรานั้นเขาทุกข์ยากขนาดไหนหลังสู่ฟ้าหน้าสู้ดินทํามาทําการเกษตรกว่าจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแต่ละปีแต่ละเดือน ใช้จะว่าไปแล้วน้อยกว่าพวกเราแต่พวกเราเนี่ใช้ได้ความรู้ความฉลาดได้ไปศึกษามาจบปริญญาตรีโทเอกจากนั้นก็ชาวบ้านเขาทาไม่ได้อย่างพวกเราแต่พวกเราทําได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเสียภาษีให้แก่พวกเราเป็นเงินเดือนของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อได้รับเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ที่เขามอบหมายและเขามอบความไว้วางใจให้แก่พวกเราแล้วพวกเราควรจะตั้งอกตั้งใจการฝึกความตั้งใจสอนอไม่ใช่เงินหลวงนะเงินภาษีน ะ, ะที่ที่เราได้รับมาเนี่ยเงินภาษีพี่น้องประชาชน เ, เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้รับแล้วพวกเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับเงินเขาที่เขาว่าจ้างเราเขาว่าจ้างเรา ให้สอนเด็กนักเรียนให้สอนลูกหลานของเขาพวกเราให้คิดดูให้ดีถ้าว่าเงินก่อนนี้ทิงจะนิดหน่อยทิงจะน้อยก็จริงแต่ว่าเป็นเงินที่เป็นน้ําน้ำใจของพวงปรีชาให้พวกเรานึกคิดดูให้ดีไปแล้วกันถ้าว่าพวกเราวันไหนเราขี้เกียจทํางานเราขี้เกียจสอนเราทะเลาะทะไลาะไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนเออแล้วเราไม่ทํางานทําการอย่างเนี้ยวันนั้น มันกบฟรีแต่เงินเดือนเราก็ยังได้รับอยู่ไม่เคยขาดให้พวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าเอ้ยถ้าว่าเราทํางานอย่างนี้ทะเลถ่าไหลอย่างนี้ไปพูดไปคุยกับเขาอย่างนี้ไปเที่ยวไปเตยอย่างนี้ขาดในการสอนอย่างนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมให้พวกเราถามตัวเองนะให้ถามตัวเองอย่างนั้นถ้าไม่ถามตัวเองนะเราจะตั้งอยู่ในความประมาท เราจะประมาทในการเงินว่ามันน้อยนิดมันไม่คุ้มค่าถ้าเราถามว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทำงานอย่างนี้น่อันนี้ก็ขอให้พวกเราสานึกไปอยู่เสมอเพราะธรรมะเนี่ยของพระพุทธศาสนาธรรมะำคาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ลืมตัวพูดอย่างนั้นอย่างเป็นพระสงฆ์เหมือนกันวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ อันนี้ก็คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พระสงฆ์ลืมตัวอย่าพระสงฆ์หนึ่งทอยังไงอยู่ในขณะนี้คุยกันอยู่ใช่ไหมเออนั่งสุมคุยกันเออสุบูรีเล่นอยู่ใช่ไหมทำอะไรอยู่ขณะนี้ถ้าว่าเราเป็นพระเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าท่ว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทานอาหาร ฉันอาหารของชาวบ้านแล้วใช้ปัจจัยสี่ของชาวบ้านแล้วพวกท่านไม่ได้เลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลือกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่าเป็นผู้เปล่าประโยชน์เป็นผู้ทานอาหารของชาวบ้านเขาไม่คุ้มค่ากับที่เขาบริจักทําบุญทําทานมาแต่หากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นความไม่เที่ยงเพียงลัด นิ้วมือเดียวกับคุ้มค่าอาหารที่เขาให้แก่พวกท่านแล้วนะอันนี้ก็คือพราะว่าในเจ้าท่านก็ไม่ให้ดูได้อีกเหมือนกันจะตอบแทนบุญคุณเขาอย่างไรแม่แต่ตามไม่จริงท่านให้มองตัวเองสําหรับพระสงฆ์นี้ท่านว่าเป็นหน้าที่ของพระจะต้องคิดอย่างนั้นอันนี้คือการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรา คิดสำนึกไว้อยู่เสมอในการทําหน้าที่การงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะว่าความไว้วางใจและว่าความมอบความไว้วางใจให้แก่ครูบาอาจารย์คือชาวบ้านเขามอบให้เต็มที่ให้สอนทึก8ดชั่วโมงแต่ละวันตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนถึง3ามสี่โมงเย็นคือมอบพูกให้แก่พวกเราได้สอนสั่งสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมอย่างไรก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจสอน พวกเราถามบางท่านบางคนหลวงพ่อเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางคนก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรกินเหลาะเมายาอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจแต่หลวงพ่ออุทธรมอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะถ้าเป็นอย่างพ้าะกะับทะเลคลไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระท้าว่าไม่อยู่ในธรรมวินยัยไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยท่านวังอรชิตาพวกอรชี ผู้ไม่มีความละอายต่อสิท้ามบทวินัยไม่มีความละอายต่อบาตรเรียกว่าพระอารัชีฮแต่ใ น, นถ้าว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่ทําหน้าที่ให้ให้ดีฮะก็เข้าถ่ายทํานองนั้นเหมือนกันคือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่มีความละอายไม่มีความละอายต่อการกระทําของตนเองเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกครูบาอาจารย์ทุกๆท่านสรุปแล้วก็คือให้มีให้รับติดชอบ ร่วมกันเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพทักษะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะถ้าว่าคนใดคน ก, ก็ตามในเขตอำเภอนายุงสพท อ, อำเภอนายุงโรงเรียนนั้นหรือพวกครูคนนั้นทําตนให้เสียหายในกลุ่มของเราสพทเขตสีของเราตั้งแต่หัวหน้านะละอายกันไปหมดทุกคนเพราะเหตุใดเพราะว่าครูบายาจารย์ทำไม่ถูกต้อง แต่ถ้าว่าพวกเราครูบาอาจารย์ในเขตของเราสร้างสร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโรงเรียนนั้นติดอันดับไปส่งไปเรียนต่างประเทศไปสู้ไปสอบต่างประเทศเขาได้คะแนนอย่างงุ้นอย่างนี่มาสอพอทศเขตสีหของเรากับหน้าบ้านพร้อมกันเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ครูบาอาจารย์สร้างผลงานนี่แต่ถ้าวัดสร้างผลไปทางนี้ทางชั่วก็ทําให้ทุกคนเสียหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านเพราะเราอยู่ในตะกร้าใบเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันการที่จะคิดทําสิ่งไหนก็ตามการที่การอยู่ด้วยกันให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่อย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีอะไรนดิดหน่อยๆก็ให้อภัยกัน อไม่ใช่ว่าพอผิดนิดๆหน่อยๆกับวบามันผิดกฎหมายกับฟ้องร้องกันตัวเองก็เมื่อทําผิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็หาเรื่องฟ้องเราอีกเหมือนกันพวกกําร้อคงขวียนไม่ไปที่ไหนหรอกมันอยู่ในพวกของเราเนี่ยถาาว่าพวกเราให้อภัยกันอมีอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นเอาไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะต้องมาไกลเกี่ยพูดให้จบลงไปอแล้วเอาแล้วกันไปนะ เพราะว่าพวกเรามีอาชีพเดียวกันให้รักกันเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่รักกันแล้วใครจะเป็นผู้รักเราละ่ะไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่ากลุ่มของพวกเราเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คือให้มีความพร้อมเพียงให้มีความสมัครคีแในการอยู่ด้วยกันถ้าว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันแล้วจีบหายนะแหมความหายนะจะเข้ามาสู่พวกเราทาทั้งหลาย แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแหอย่างที่หลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหัวหน้านี่ก็ะจำเป็นสำคัญพวกเราต้องเชื่อหัวหน้าแต่หัวหน้าเนี่เป็นผู้มีวิสัยแหมมีวิสัยทัศน์มี IQ มี EQ มีเ อ, อทุกวันนี้มีหลายหลายคิวนะโอเ อ, อมีตั้งมากมายแต่หลวงพ่อดูๆแล้วก็มี EQ, IQ IQ eq MQ คิะ e ที่สําคัญนะฉะนั้นหัวหน้าเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์กว้างกว้างขวางกว้างไกลจึงจะพานําหมู่คณะไปตอลอดรอดฝั่งแต่ถ้าว่าหัวหน้ากลุ่มพวกเราไม่มีวิสัยทัศน์แล้วโรงเรียนไหนก็ตามต้องมีหัวหน้านะหัวหน้าแต่และโรงเรียนคือพอ อ, อทุกคนก็ต้องมีหัวหน้าหัวหน้าโรงเรียนหัวหน้า พอ อ, อย่างหลวงพ่อนเป็นหัวหน้าวัดก่อนที่จะนําวัดไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นในพระไกปิฎกท่านจริงพูดบอกหัวหน้าอ่ยเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ า, นนนามโนภูพังคมาธ ร, ร ม, มามโนเสถามโนมายายอันนี้คือพระบาลีนะ ท่านตรัสไว้เป็นพระบาลีมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจใจเป็นหัวหน้าเพราะฉดันคนเราต้องมีหัวหน้ารองลงมาตามลําดับแต่หลวงพ่อได้ศึกษาในครั้งพุทธกาลในชาดกในชาดกหลวงพ่อจะสอนในเป็นชาดกให้แก่พวกเราได้ศึกษาเพราะว่าชาดกนี้เป็นกระจกเงาสําหรับพวกเรา จะได้น้อมนามาหาตัวเองว่าเราควรทำตัวอย่างไรในชาโดกนั้นท่านบอกว่าในกรุงพารานสีมีพ่อค้าเกวียนหลายกลุ่มแต่มีสองกลุ่มที่เป็นคนหนุ่มกำลังไฟแรงแต่คนหนึ่งนั้นเป็นคนชอบเอาลัดเอาเปียกอพอมีสิ่งไหนที่จะฉาบฉวยก็เอาจัดการฉาบฉวยไปเลยสิ่งไหนที่จะได้เปียบเอาเลย เออแต่ก็เป็นเจ้าสําราญชอบเที่ยวชอบเล่นเออพ่อค้าเกวียนคนนั้นแต่พ่อค้าเกวียนอีกกลุ่มหนึ่งพระโพธิสัตวมาเกิดคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเกิดในตระกูลเกวียนเหล่านั้นตอนนี้พระโพธิสัตวมาเกิดในกลุ่มตระกูลเกวียนเหล่านั้นแต่พระโพธิสัตวเป็นผู้เป็นเด็กหนุ่มก็ชอบไปกับพ่อเวลาพ่อไปทำมาค้าขายต่างแดนเนี่ยก่นั่งเกวียนกับพ่อไป ก็สังเกตสังกาแล้วก็เป็นผู้มีสติปัญญาพ่อทำยังไงพาดำเนินยังไงกิจการยังไงเป็นผู้ฝ่ายในการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ประหยัดมัธยัติไม่ได้เห็นแก่ ก, การเงินการทองที่ได้มาแล้วไม่ไม่ใช่เห็นเงินฟ้อมเอามาแล้วมีจะใช้อย่างเดียวไม่ใช่โที่สัตว์เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ เรียนในการทํามาค้าขายในตระกูลเกวียนเขาเรียกว่ากองเกวียนมบบนั้นแต่ตอนนี้มีเกวียนในกลุ่มพลาเนสีนั่นแ่ะมีหลายกลุ่มแต่พ่อค้าสองกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่อใช้เข้าชิงดีชิงเด่นกันอยู่โดยในแบบนั้นแต่ทีนี้พ่อค้าเกวียนไม่รู้ว่าบังเอิญได้ยังไงพ่อค้าเกวียนต่างคนก็ต่างเตรียมพร้อมเพื่อจะนําสินค้าไปขายที่เมือปาวาแนั้นน่ะ ที่เมืองปาวาพ่อค้าเกวียนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเอ้ยไอ้นั้นนะ่ะมันจะขายยังไงมันจะไปยังไงมันจะไปวันไหนว่าพอไปถามน่ะอ้ไปวันเดียวกันเอ้ย เ, เอาอย่งไรเอาอย่างไงถ้าเกวียนเขาก็ห้าร้อยเราก็ห้าร้อยไปด้วยกันเนี่ยมันต้องเกวียนพนะันหนึ่งะไม่ใช่ธรรมดาพรไปแล้วจะไปแย่งกันขายสิ่งของอีกเอ่อมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพือเผยจะทะเลาะกันได้อีกในกลุ่มเดียวกันอีกเอเราจะเอายังไงไปหาเขาดีกว่าว่าไหมฟอกาเวียนโพธิสัตว์จะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่แล้วนะหเป็นผู้เสียสละอยู่แล้วเป็นผู้มีเมตตาอยู่แล้วการที่เสียสละการที่เสียเปรียบผลนั่นแหละคือเมตตาที่หลงพลที่เขียนไหมที่หลงตากําลังเดินลูกหลงตาการที่เสียเปรียบผลนั่นแหละคือเมตตาพระโพธิสัตว์ท่านก็เข้าไปหาเนี่ยเพื่อนคนนั้น่ะเลยเพื่อน ได้ยินว่าท่านจะไปขายของที่เมืองปาวาใช่ไหมเออใช่ครับจะไปวันไหน่ะไปเรลววันนี้แหละครับเ อ, อถ้าพวกเราจะไปด้วยกันเนี่ยเกวียนตั้งพันเล่มเนี่ยแล้วก็บัวต้องวัวก็ต้องสองพันคนก็หนึ่งพันแล้วก็คนติดตามอีกแล้วเราจะอยู่กินกันยังไงแล้วก็ไปขายติสิของก็จะตัดราคากันอีกเอาอย่างนี้ดีไหมประกธธูลทีัตว์เสนอ ถ้าแยกกันไปให้ห่างกันประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็ยังค่อยตามไปดีไหมเอาว่าดีสิถ้าแยกได้แล้วใครใครจะไปก่อนล่ะคนที่เอาเปรียกเนี่ยฟกคะวะนะนะใครจะไปก่อนเพอโพลิสัตว์ว่าเออถ้าถ้าลักษณะอย่างนั้นจะใครไปก่อนก็ได้ผมไม่ขัดข้องเออถ้าอยางนั้นผมไปก่อนะคนทนะี่ชิงชิงไว้ชิงพลิบเร็วงั้นถ้าผมจะไปก่อน พ่อคนที่ไปก่อนจะต้องขายสินค้าไปตั้งราคาสินค้าอะไรสินค้ามาันก็ได้ใช่ไหมนี่จะนี้ก็พ่อค้าเนะี้ยครับผมจะไปก่อนพ่อค้าโพธิสัตว์ในเฟอเอาได้ผมจะไปตามหลังแต่รีบไปนะอีกสักสเดือนผมเตรียมไมกอย่างเตรียมพร้อมพอสมควรแล้วครับผมจะไปวันพรุ่งนี้แหละผมพร้อมแล้วจากนั้นพ่อค้าคนนี้ก็เลยออกเดินทางเลยพอเดินทางไปไปถึง มันมีทะเลทรายอยู่ประมาณสักหลายโยดเหมือนกันโยดหนึ่งก็สี่ร้อยเซนใช่ไหมแอนตอนนี้ก็ไปถึงทะเลทรายเกือบจะถึงทะเลทรายก็เลยพักทับพอพักทับเสร็จแล้วก็อบอกเออเอาพวกเราจะข้ามทะเลทรายนะให้เตรียมพร้อมนะพวกน้ํานะอย่าไปเทจริงนะดูนะให้น้ำให้พร้อมพวกค้านีน่ยก็เตรียมพร้อมเหมือนกันแต่นี้พอ ไอ้ลูกน้องที่ไปตามพระโพธิสัตว์นะกลับมาหาว่าพระโพธิสัตว์นี่โง่งมากให้เขาไปก่อนทั้งที่เราเตรียมพร้อมแล้วโอ้หัวหน้าอย่างนี้เสียเปรียบเขาเอาอย่างไงวะทีนี้ก็พระโพธิสัตว์เขามานั่งหาหรือกันเอออวันเนี้ยได้ไปหาพคกคลาสเวียนเขานะเขาให้เขาไปก่อนเราจะไปตามหลังเขา พวกลูกน้องเนี่ยกำลงังออ่ลุ่มวาให้หัวหน้าว่าหัวหน้านี่โง่ว่าไะหัวหน้านี่ก็บอกเออเอาคำว่าผมโง่โง่อยังไงผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นของพวกท่านเหมือนกันเนียพวกท่านแสดงความคิดเห็นโดยซึ่งว่าผมโง่จุดไหนที่ให้เขาไปก่อนเยโง่อันดับแรกก็คือเนี่ยเวลากเกวียนไปทั้งห้าร้อยเนี่ยเออแล้วก็ลากไปเนี่ย มันดินมันจะช้าขนาดไหนแล้วก็พอไปถึงน่าจะหญ้าพวกหญ้าพวกถักพวกหญ้าพวกน้ําำจะผลขนาดไหนที่เขาไปก่อนเราไปตามทีหลังนีแต่เสียเปรียบทั้งรุ่นเลยเอผมว่านี่แหละคือการเสียเปรียบของพวกเราที่เดินตามหลังเขาพระโพธิสัตว์นี่ฟังคําพูดของผมสิเจนี่ตามไมจริงคนที่เดินก่อน มันไม่ต้องโขดถิ่นมันต้องมีหลุมมีบอ่อเกวียนเพราะมันเกวียนไม่ได้ไปนานก่อนที่เขาจะไปเนี่ยก็ต้องมีกิ่งไม้มีต้นไม้ล้มทับทางเขาจะต้องไปลื้อต้นไม้จะต้องเอากิ่งไม้ออกจะต้องขางป่าจุดไหนที่มันรกหุงหลังที่เกวียนไปไม่ได้แต่ตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะต้องเอาจอบไปขุดผมวดินเพื่อจะให้ถนนนั้นไปได้เพราะมันมันไม่ได้ไปนานแต่นี่เมื่อเขาไปถึงจะ ช้ำก็เถอะสองเดือนกนลอนฝนอาจจะตกลงแล้วเราไปที่หลังน่ยโอ้ยไปเลยสวายเลยเพราะเขาทำทางให้พวกเราเดินแล้วอันนี้เราต้องคิดไปในทางที่ดีสิฝนนั้นก็นเงียบเออใช่แล้วน้ำห่ะพวกผักพวกหญ้าพวกสัตว์พวกนั้นไปกินก่อนพวกเราจะทำาัวที่สัตว์เขาบอกว่าสองเดือนน่ะน่ะหญ้ามันคงจะเกิดผักมันคงจะเกิดพวกเขาไปก่อนเขากินแต่ผักแก่แก น้าก็นั่นแหละเขาจะต้องถ้าตรงไหนไม่มีน้ำเขาจะต้องขุดน้ำก็จะต้องหาน้ำให้วัวให้สัตว์กินพวกเราไปที่หลังหญ้าก็ป่งหญ้ยายอดผักก็ป่งพอดีสองเดือนน้ำของเราก็ไม่ต้องขุดบอ่อเพราะว่าพวกก่อนเขาขุดไว้แล้วเราก็ไปกินสบายตามไปเลยเอเอใช่หัวนาอ้างเหตุผลแล้ว คนแก่คนหนึ่งที่เป็นพอ่อค้าอใช่อาจางอื่นก็ไม่ว่าอะไรเลยเมื่อไปค้าขายอ่ะพอไปถึงน่ะเขาจะตั้งราคาตามใจชอบของเขาเราไปที่หลังเนี่ยเราจะไปขายได้อย่างไะจุดนี้เสียเปรียบพ่อค้าโพธิสัตว์เขาบอกว่า เ, ออเมื่อเขาไปตั้งราคาขายที่เมืองปาวาแล้น่ะเขาขายยังไงเราก็ไปขายอย่างนั้นขายตามที่เขาตั้งราคาไว้แล้วเนี่ย คนทั้งหลายก็จะไม่ได้ตำหนิเราว่าขายผูกขายแพงเพราะเราขายตามที่เขาขายมาก่อนสินค้าของเราก็มีคุณภาพอยู่แล้วนี่ผมว่าไม่น่าจะเสียหายแหมน่าจะได้เหมือนกับเขาได้อย่างไรเราก็ควรจะได้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของพ่อค้าลูกน้องเอาออเอจากนั่นก็คอยสองเดือนจากนั่นก็พ่อค้าคนก่อนเ้าก็ไปเลยพอไปไปไปไปไปไปถึงที่จะข้ามทะเลทราย เขาจากนั้นก็ข้ามไปทะเลทรายเตรียมพร้อมข้ามไปแตนี้ในในทะเลทรายนั้นอ่ะมีทั้งโจรผู้ร้ายภัยเกิดจากมนุษย์ภัยเกิดจากความแห้งแล้งภัยเกิดจากเสือสัตว์สาลาสิงสัตว์ทั้งหลายเข้ามารบ ก, กวนภัยเกิดจากมนุษย์ภัยเกิดจากอมนุษย์เนี่ยมนุษย์คือพวกที่มองไม่เห็นพวกกายยะสิ์เราะนั้นแหละ พวกอมนุษย์มันมาชอบมาเบียดเปลี่ยนพวกมนุษย์เอในทะเลทรายนั้นอ่ะทีนี้ก็พวกพผอค้าเกวียนนี่ก็ไปไปเห็นพวกอมนุษย์เหนีหมเออมนุษย์เขาขี่เกวียนมาทำอะไรนะแล้วก็มีนพวกม้ามาตามมาทีนี้พวกนั้นเขากดจําแลงตัวให้เหมือนกับว่าฝนตกใหม่ๆเปียกชุ่มไปหมดเห็นไหมล้อเกวียนของข้าพเจ้าน่ะเปียก โชคไปหมดเลยเขาเดินผ่านมามาผ่านมาหัวหน้าหัวหน้ากระทักทายหัวหน้าเกวียนพวกขาคุณก่อนทักทายเออเป็นไงมาไงโอทําไมเกวียนของพวกท่านทายจึงหนักทักหนักมนะีอะไรง ม, มีสินค้าอันท้ายนะี่ทาไมมันหนักลากเกินโอ้บรรทุกน้ําโอ้ไม่จําเป็นหรอกเรื่องน้ํานี่เห็นไหมพวกผมมาเนี่ยผ้าเสื้อผ้านี่ก็เปียกปอนไปหมดเนี่ยเอ่อมนุษย์นะมันจําแลงเหมือนกันเ่ะเออมันจําแลง ไปนี้ก็พวกลูกน้องทางหลายก็นนะถ้าจะเป็นแบบเททิ้งน้ําทิ้งทั้งหมดมันก็จะได้เวียนจะได้ไปเร็วอนะไปถึงจุดหมายปลายทางไปข้างหน้าไปเอาข้างหน้าก็ได้น้ำไม่ต้องเป็นห่วงพวกพวกค้ายคนโง่นี่ก็เชื่อเขาเลยทั้งนั้นนะยังไม่ได้เห็นน้ำํำเลยเชื่อเขาก่อนนะเนะี่ยนี่คนโบราณเขาสอนสอนคนนะอย่าหวังน้ําบ่อหน้าเขาว่างั้นนะ ออย่าวังน้ําหมอหน้าว่ามีอยู่แต่นี้พวกพอคาเกวียนคนนี้ก็เลยบอกขมูอ้าวเห็นไหมหนึ่เขามาในเปียกตอนเวียนของเขาก็เปียกโดยน้ําเพราะฉะนั้นน้ําทั้งหน้าจงสมบูรณ์แน่แน่อย่างที่เขาบอกเอาเทน้ําทิ้งเลยเาไปทางหน้าก็ไปเอาข้างหน้าก็ได้เพื่อเวียนมันจะได้เดินทางเร็วกว่าพวกพอคาทั้งหลายก็เอา้าไปเอาไว้บางเด้อหัวหน้าเออไม่เป็นไรต้องเชื่อเขาสิเห็นไหอมันเปียกหมดแล้ว มันต้องมีน้ำแน่แน่พวกพอค้าถลายก็เลยเทน้ำทิ้งทั้งหมดกันพอไปจะเนี่กับพอนั่งเปลี่ยนไปถึงไปเท่าไรเจอทะเลทรายไม่มีน้ำเลยจะเนี่อพอไปไปไปเออไปทั้งวันมัวไม่ได้กินน้ำผมไม่ผงไม่เดินจะเนี้มันหิวน้ำคนก้มล้าโผล่ในสุดไปถึงทะเลทรายแล้วแบบถึงตอนค่ำแล้วก็ข้าวน้ำที่จะขูงข้าวก็ไม่มีจะเนี่ย น้ำที่จะกินก็ไม่มีก็เทน้ําทิ้งหมดแล้วะผลที่สุดก็เลยทั้งวัวทั้งคนก็เลยอ่อนเพลียล้าการไปหมดก็เลยจอดเกวียนให้เป็นวงกลมอจากนั้นก็เอาวัวก็ไปข้างในให้จากคนกับนอนแบบหมดอะไรตายอยากว่างั้นจะพอเหตุไรเพราะมันมันเหนื่อยเพลียพอแรงจากนั้นเอามนุษย์เึ็นไหมะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อะมนุษย์คือเป็นผีเหว่างั้นอะมนุษย์ ก็เลยด่าหน้าเขาขึ้นมาสเลยมาฆ่าพวกมนุษย์กินเป็นอาหารก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็มากินต่อมาก็กินโคกินวัวล้อวัวเปียนเป็นอันดับแรกไม่แต่ต้องสินค้าเลยเพราะเขาเป็นเป็นคนทิพเป็นกายทิพนี่เขาไม่ต้องการสินค้ามนุษย์เหือนกันเขาต้องการกินแต่พวกสัตว์เท่านั้นเองจากนั้นพวกนั้นก็เลยตายเกลื่อนกันเป็นหมดในทั้งมนุษย์ทั้งวัวเหมอนกัพอได้สองเดือนถึง พวกพผู้ขาโพธิสัตว์ก็เลยเดินตามไปพอโพธิสัตว์พอไปถึงทางที่จะเข้าทะเลทรายพอโพธิสัตว์ท่านรอบขอบกันหมพวกเราทั้งหลายจะเดินข้ามทะเลทรายนี่ยนะมีพิษภัยอย่างมากนะหนึ่งสองสามสี่พิษภัยจากมนุษย์พิษภัยจากสัตว์เสือสาลาเสียงพิษภัยจากอัปนุษย์ที่พวกเราได้ผ่านผ่านได้ศึกษามาแด้ก็พร้อมกันเรื่องน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่ง ถ้าว่าใครจะใช้น้ำอย่างไงให้บอกผมก่อนแต่รับบริญาตจากผมก่อนหัวหน้าแปลว่าทุกคนต้องฟังหัวหน้านะในในสถานการณ์อย่างนั้นใครจะไปแตกแถวไม่ได้เพราะฉะั้นนะต้องฟังหัวหน้าหัวหน้าสั่งอย่างไงก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพราะหัวหน้านี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากนะจากนั้นบอกผ ล, ลไม้ก็ตามในตามทางเนะี่ยถ้าใครอยากจะกิน ผลไม้ถ้าไม่เคยกินให้บอกผมก่อนเพราะผละไม้จะมีพิษภัยพอมีแต่มันเหลืองดีแต่เหมือนน่ากินแต่มันกินไม่ได้มันเป็นพิษต้องบอกผมก่อนผมอนุญาตแะก่อนจะค่อยกินเพราะผมเคยผ่านมาแล้วว่าไม้ประเภทไหนเว้นเสียแต่พวกท่านทลายๆเคยกินมาก่อนแล้วจะค่อยกินผลไม้ไหนไม่เคยกินอย่า ก, กินต้องบอกผมก่อนอันนี้คือพระโพธิสัตว์ท่านสั่งอย่างรอบคอบจากนั้นก็เดินทางไปไปทะเล แต่พวกอามนุษย์อย่างเก่านั่นมาพอมาเห็นนะเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายนั่นฝนะตกใหม่ๆน้ำเต็มไปหมดเลยข้างหน้าพวกท่านเททิ้งก็ได้น้ำเนี่ยมาบอกบอกเอี่ยงเก่าพระโพธิสัตว์บอกว่าธรรมดาสิ่งไหนก็ตามมันต้องมีเหตุแลต้องมีผลมันต้องดูเหตุซนะก่อนนี่นะถ้าว่าฝนตกใหม่ๆเนี่ยพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงฟ้าร้องไหม ได้ยินเสียงลมพัดมันเย็นมาไหม เ, เสียงลมกระโชกมันมีไหมพวกเราได้เห็นเห็นไหมถามใครก็ไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายอย่าเทน้ําทิ้งเป็นเด็ดขาดาพกค้าทั้งหลายต้องเห็นน้ําสีก่อนจึงค่อยเทน้ําทิ้งถ้ายังไม่เห็นน้ำมาก่อนอย่าเทน้ําทิ้งต้องเชื่อฟังข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวและอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าสังเกตดูแล้วนี่ยคนที่มาเนี่ย หัวหน้าของเขาที่นั่งเปลียนมาเนะี่ยไม่สะทกสะท้านพูดแบบอาถรรพ์แสดงว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วมันคงเป็นอะมนุษย์ที่ผมมองดูแล้วเวลาพูดก็ไม่สบสายตาเราอีกพอมันตาตาไม่กระพริบพวกอะมนุษย์ตาไม่กระ พ, พนนระพิบนะไม่มีม่านตามันตามันจะลืมอย่างนั้นก็ลืมอย่างนั้นมันไม่กระพริบตาอันนี้มันไม่มองตาเราเลยแล้วแตตาของมันราเลือบเหลือบรู้ว่าตาแดงอีกต่างหา เป็นอมนุษย์นะอะ่เหมือนพวกเราเห็นตาที่ปอบอย่า ง, งนั้นนั่นแหะที่นี้ก็โพธิสัตว์ก็สอนสอนให้แ ก, พก่พวกพวกพวอคาฟังแล้วพวกท่านทั้งหลายได้สังเกตไหมขนาดเปี้ยงแดดแดดเปี้ยงคือมันมนะไม่มีเงาตามปกติคนเราต้องมีเงาแต่นี้ไม่มีเงาเลยะอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะเนี่ยพวกโพธิสัตว์ท่านท่านสังเกตขนาดนั้นนะ่ะเพราฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดให้เป็นผู้สังเกตเอให้ตั้งความสงสัยถ้าตั้งความสงสัยและนนัตปัญญาจะเกิดในจุดที่สงสัยนั้นนะอันนี้แค่ก็เดินไปอย่าเทน้ําทิ้งจากนั้นับไปพอไปไปเห็นพวกพ่อค้าเวียนคนก่อนเอาเวียนจอดเป็นวงกลมเลยทะเนี่ยเฮ้ยทำไมจอดอยู่อย่างนั้นพอเขาไปใกล้ที่ไหนได้เห็นแต่กระโหลกคนเห็นแต่กรชี่โครงของสัตว์ตายเกลื่อนไปหมดเลยโอ้ เต้นงานแล้วนี่นั่นแหละอย่างที่ผมพูดอล้เนี่ยเอามนุษย์เต็มงานแล้วเอาเดิฟผ่านไปพอผ่านไปไปให้มันหายเหม็นสาบเหม็นสางเลยก็ตั้งวงนะเอา้าีิทําอาหารกินนะมันจให้มันค่ําพอทาอาหารเสร็จเแล้วคนก็ทานอาหารเสร็จแล้วเอ้าตั้งวงรักษาให้เข่มแข็งนะเออมือทธนูมือดาบมือธนูให้ล้อมรอบอย่าเผลอนะวันนี้นะพิษภัยอย่างร้ายแรงนะจากนั้นพ ร, ระโพธิสัตว์ก็เดินตะเวนอยู่ทั้งคืน ผลที่สุดก็ปกป้อ ง, องไม่มีพิภัยในการคืนพอรุ่งเช้าขึ้นมาเลยับเอ้าเกวียนลําไหนใครไม่ไดีไปเปลี่ยนได้เพราะว่าไป ม, มีเจ้าของแล้วสินค้าตัวไหนที่มันราคาอยู่ในเกวียนของเราไม่มีคุณค่าเอาทิ้งไปเอาสินค้าที่อยู่ในเกวียนห้าร้อยน่ะเอาใส่บรรทุกไปใหม่เอาแต่ของดีๆไปทีนี่นั่นแหละจากนั้นพระโพธิสัตว์กว่าเดินทางไปถึงเมืองปาวาก็ไจาขายสิ่งของ จากนั้นก็ได้ขายกำไรจะหลายเท่าตัวจากนั้นก็กลับถึงเมืองพาราณสีท่านเลยยกขึ้นมาว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นผู้หนักแน่นในเหตุอย่าไปหวังผลอย่างเดียวต้องดูเหตุด้วยเหตุซะก่อนมันจะค่อยมีผลแต่ว่าพวกที่เป็นหัวหน้าอยู่ในโรงเรียนใด โรงเรียนนั้นที่เป็นผอ อ, อต้องเป็นผู้สังเกตต้องเป็นผู้เรียนรู้ว่าผลที่จะตามมานั้นคืออะไรลูกน้องของเราสี่ห้าหกเจ็ดปดคนสิบหกคนเนี่ยการเรียนการสอนเป็นอย่างไรขอให้หัวหน้าเนีสังเกตจากนั้นก็แนะนําสั่งสอนพัฒนาให้ก้าวหน้าให้ทันกับโรงเรียนอื่นเขาอย่าได้เขามาตําหนิ ถ้าว่าสื่อต่างๆอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเมื่อกี้เนี่ยสื่อทั้งหลายเข้ามานี่ยพวกเราก็าเป็นต้องสะทกสะลานจะเป็นสื่อขแขนงไหนช่องไหนหนังสือพิมพ์ขนาดไหนเข้ามาในท้องถิ่นของเราไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายเรามีแต่ทําคุณงามความดีเรามีแต่จะอวดผลงานของเขาอีกต่างหากถ้าถ้าวว่าพวกเราไม่ได้ทําอย่างนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วแต่ หนาวหน้าหนาวหลังสะเทือนหน้าสะเทือนหลังเหมือนกับวัวหลังบ่าเนี่ยวัวเป็นแผลในหลังอย่างนั้นอ่ะอีกาบินในท้องฟ้าที่ไหนวัวตอนนั้นก็จะดุ่งแล้ว嘛กลัวอีกาจะมาเจาะหลังของตัวเองฮะเพราะฉนั้นพวกเราท่นท า, า, านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการแนะแนวก็เป็นการแนะ น, น, นําให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีให้เชื่อมั่นในกลธรรม กลัมคือการกระทําของตนเองทําแต่กลัมดีไว้แถวบอกพวกเราทําแต่กลัมดีไว้ไม่ทําความชั่วเสียหายใครจะมาที่ไหนเรามั่นใจในการเป็นอยู่ของพวกเรามั่นใจในกลุ่มในหมู่ในคณะของพวกเราแต่ที่นี้พวกเราให้เชื่อหัวหน้าเอาไว้นะให้เคารพหัวหน้าเอาไว้หัวหน้านี่ก็เป็นผู้พานําสิ่งไหนที่มันจะ นำหายณะมาสู่วงสู่หมูสู่คณะก็ขอให้พิจารณาโดยรอบครอบปรึกษาปารถกันเพราะว่าการเป็นอยู่ด้วยกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งทั้งรองหัวหน้าทั้งหัวหน้าทั้งหมู่ทั้งคณะเห็นสิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งที่หายณนะที่จะนำมาสู่บริษัทหรือสำนักงานของพวกเราให้พวกเราให้ทั้งอกทั้งใจและทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุด แต่เท่าที่จะดีได้นอันนี้หลวงพ่อขอฝากทำคําสั่งสอนไว้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้ น, นที่หลวงพ่อจะพูดเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาคือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงพวกเราจะทําคุณงามความดีถึงขนาดไหนอันนั้นก็คือเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วขา่าวถึงพวกเราจะร่ํารวยมี ยักสูงขนาดไหนอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยอาศัยชั่วคราวเพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไปในอัตภาพแต่ถึงยังไงทุกชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนน้าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นปัจจัยการสแสวงหาทรัพย์ปัจจัยสี่นั่นก็คือเพื่อเลี้ยงชีพให้การเป็นอยู่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่เราจะถือว่าการสแสวงหาทรัพย์นั่นแหะคือมีกุณค่าที่สุด ีที่สุดไม่ใช่นะ่ะการสะสะแสวงหาทรัพย์ก็จำเป็นการดูแลสุขภาพกายก็จำเป็นการดูแลสุขภาพจิตก็จำเป็นการดูแลสุขภาพการสะสะแสวงหาทรัพย์ก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายหาเงินคำทรัพย์สมบัติเก็บหอมรอมริบเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเราไม่ขาดตกบกพ่องอันนี้คือจำเป็นการดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกายการพักผ่อนนอนให้เป็นเว ล, เวลาอันนี้ก็จําเป็นไม่ใช่ว่าเราจะโ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวจนไ ม, ม่เวลาพักผ่อนไม่มีเวลานอนอย่างเนี้ยเราได้เงินทาทรัพย์สมบัติมามากเป็นร้อยล้านพันล้านแต่สุขภาพของเราแย่เป็นอมาพึกอมาพาดนอนอยู่ในห้องไอซียนอนอยู่ในโรงพยาบาลกระดุกกระดิกขาก็ไม่ได้เพราะเส้นเลือดแตกในสมองอย่างเนี้น พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันเงินร้อยล้านพันล้านนั้นจะเกิดประโยชน์สําหรับคนเขาคนนั้นไหมไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ดูแลสุขภาพกายเท่าที่ควรมีแต่การสดแสวงหาทรัพย์เนี่ยเพราะฉะนั้นการสบสแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นออกกําลังกายพักผ่อนนอนทานอาหารตามกลุ่มหมู่ห้าแห่ง อย่าไปกินในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อย่าไปดื่มเหล้าดื่มชุลาอย่าไปดื่มของเหมือนเมาเในร่างกายของเราถ้าเราสูบปรี่ดื่มของเหมือนเมาก็ทําให้เราเป็นมะเร็งปอดอย่างเนี้ยเลือดเส้นเลือดตีบอย่างเนี้ย อ, อ, อย่างนี้มันจะเกิดโทษสําหรับเราเราก็ต้องรักษาสุขภาพกายของเราเราจะเราต้องการความสุขในการเป็นอยู่เพราะฉนั้นทั้งสองอย่างคือการดูแลสุขภาพกายและการสดใสหาทรัพย์ก็จําเป็น การดูแลสุขภาพจิตเท่นี่มาพูดถึงการดูแลสุขภาพจิตคือหลักของพุทธศาสนาพวกเราก็มาศึกษาในวันนี้แหละนื่แหลักคือการรักษาสุขภาพจิตคือทําจิตใจให้สบายทําจิตใจให้สงบไม่ทําให้จิตใจให้ปุ่นวายถ้าคนเราถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจปุ้งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไปล้ำเวลาคิดมากพี่ตกกังวลในเรื่องต่างๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พี่ตกกังวล ผลที่สุดก็เลยได้เข้าโรงพยาบาลศีทัญญาแล้วก็จิตตเวชอย่างเนี้ยเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีการรักษาสุขภาพจิตไม่เคยรักษาเลยไม่เคยคิดเลยที่จะรักษาสุขภาพจิตมีแต่ปล่อยให้ปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดถ้าเรามาวิเคราะห์ดูทั้งสามอย่างถ้าว่าเรามีเงินขึ้นมาเราเสาะแสวงหาเงินขึ้นมาได้มากมาย ถ้าว่าสุขภาพกายของเราไม่ดีกับอย่างที่ว่าเ น, นี่ยเรานอนอยู่โรงพยาบาลเช่นเลือดแตกเพราะเราขาดการดูแลสุขภาพกายแต่เมื่อสุขภาพกายของเราแข็งแรงแต่สุขภาพจิตของเราแย่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลศีรัะญามหาโพูดอะไรก็ใหม่รู้เรื่องอีกอพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งพูดจะ่างหนึ่งไปอย่างหนึ่ง<อ>คนเป็นบ้าเนี่ยรเงินคําทรัพย์สมบัติละ่ะร่างกายแข็งแรงละ่ะจะเกิดประโยชน์สําหรับเราไหม ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะว่าสุขภาพจิตของเราเสียแล้วเพราะนั้นสิ่งทั้งสามอย่างเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจะต้องศึกษาจะต้องนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจิตใจของเรามีสติสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดลเวลาเดี๋ยวนี้เราพิคิเรืออะไรเราพูดเรื่องอะไรเราทำอะไรเรามีสติอยู่กับตัวเอง คนนั้นจะไม่เป็นบ้าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าบาุคคลจิตเมื่อไหร่คิดเอระเหยรอยลมเมื่อไหร่จนเอามือมาอกหลังอย่างค่อยๆสูงเหงือก<ม>ค่อยสานึกตัวปุคคลอยู่ที่ไหนฮะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นขอให้พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝึกหัดเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นจริงที่จําเป็นสําคัญจะฝึกยังไงจีนี่ฝึกสมาธินี่ฝึกยังไงนี่แหละ อีกไม่นานหลวงพ่อจะพานั่งสมาธิแต่คงจะไม่พานั่งนานการนั่งสมาธินี่เราดูพระพุทธปฏิมากนพระพุทธรูปที่นั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเรานหลักวิธีการนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าออก นี่แหละวิธีการฝึกจิตเบื้องตน้นฝึกสมาธิเนี่ยในเมื่อจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนั่นแหละฝึกหัดอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันต่อไปจิตใจของเราก็จะอยู่เป็นสมาจิตใจเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วเราจะไปนัตสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดจิตใจของเราไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม เพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นสมาธิดีเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญพวกเราทุกท่านจะต้องศึกษาจะต้องนำมาประพฤติธปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นหน้าที่ของใครใครทาแทนกันไม่ได้เรื่องสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจะต้องศึกษาจะต้องทำทำเองนะเมื่อเราทาโดยสม่าเสมอแล้วจิตใจของเราเป็นสมาธิเนี่ย พอสมควรแล้วเรานํามาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสนาหร อ, อร่างกายสังขารของเราเนี่ยเป็นของไม่เทียมแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าวันไหนละ่ะเออจะต้องหนีจากโลกแน่นอนนี่พระพุทธเจ้าท่านเคยคิดมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยวิเคราะห์มาแล้วปู่ย่าตายายของเราไปไหนวงศาคณะญาติญาติผู้ใหญ่ของเราไปไหนท่านตายไปแล้ว เราจะไปอย่างที่ญาติผู้ใหญ่ไปไหมเราถามเราไม่เป็นอย่างอืง่นเราต้องไปอย่างนั้นแน่นอนและไปไหนไปไหนไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครรู้พวกเราเลยวว่าตายแล้วสู์เกิดมาชาติเดียวทำอะไรก็ทำไปเลยแหม่พวกเราคิดอย่างนั้นแต่ตามวิจิงไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าพวกเราอยากอยากจะรู้ให้ศึกษา ในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูงกันแน่แน่คนทั้งหลายว่าตายแล้วสูงตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกตายแล้วหายเงียบไปเลยแน่เขไม่เห็นใครมาบอกแต่ตามหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สู่งนะตายแล้วเกิดดีพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงได้หนีจากเวียงหวัง ทั้งที่พระ อ, องค์ก็มีความสุขเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในกรุงกบินละพัดมีอคคมเหศีมีราชบุตรคือพระราหุลมีวงสาคนายาตมีพระบิดามีพร้อมทุกอย่างถ้าจะว่าไปจะพร้อมกว่าพวกเราที่ด้วยซ้ําไปเงินคำทรัพย์สมบัติจะใช้อย่างไรก็ได้เพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบัติเกิดมาสี่มุมเมืองล้วนแล้วจะเป็นสมบัติ บุญกุศลของพระโพธิสัตว์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ยังไม่ติดในสมบัติเหล่านั้นเพราะถึงยังไงก็ตามพอแม่ปู่ย่าตายายของท่านไม่เห็นใครที่จะนําสมบัติของท่านไปด้วยได้มีแต่ทิ้งไว้เป็นกองสมบัติสืบท อ, อดกันมาอยู่อย่างนี้อสมบัติชุดนี้ก่เอาใช้มาชุดก่อนชุดก่อนกับต่อไม่ไล่ไปเรื่อยมีการสืบท อ, อดกันมาอยู่ตลอดไม่มีใครที่จะนําสมบัติเหล่านี้ไปด้วยได้ฮะ นี่พระองค์ก็มาพิจารณาดูแล้วออืจะทํำยังไงจะไม่ตายเนี่ยจะทํายังไงจะไม่ตายเพระธองค์ก็จึงได้หนีออกจากเปียงวังออกจากเปี๋ยงจักวังไปกับนายชนะนายชนะนั่งส้อนท้ายขี่มา้าขันตะกะอออกจากกรุงกบิลพัดไม่บอกใครเลยในพืนนั้นเ พ, บพบราะพระธองค์คิดดูแล้วว่าเนี่ยถ้าพระธองคอ์อยู่ก็ยังจะต้อง ตายเหมือนกับปู่ย่าตายายตทนนี้จะไปนค้นหาได้สิวะจะทํำยังไงจะไม่ตายถ้าเราอยู่ในเวียงวังเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะคิดได้เพราะเหตุใดเพราะภาระธุระจิจธุระมากเหลือเกินไม่รู้ะะอะไาการสดแสวงหาหการปกป้องประเทศชาติไม่ทั่วการดูแลคนในเวียงในวังในบ้านในเมืองอีกต่างหากจิจธุระการทาํามาท้าสายมีมากมายที่จะต้องปกป้องประเทศชาติของตนเอง ไม่มีโอกาสที่จะคิดค้นคิดในรายละเอียดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉนั้นพระ อ, องค์จึงได้หนีออกจากเวียงวังกลางคืนแบบนั้นแหะไม่บอกใครเลยนะเพีงประยุทธ์ไปบวชอยู่ที่แม่น้ําอนโนมาณทีฮะห่างจากกรุงกบิลระพัฒน์ประมาณ200ร้อยกว่ากิโลนะถ้าจะว่าไปแล้วจากนี้ไปขอนแก่นแบบนั้นนะขอนแก่นกว่าแล้วนะมาสันตกะหลวงพ่อว่าโอ้โหคงจะวิ่งตะบึงพอสมควร ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงสว่างม้าไปถึงที่นุ่นพอดีฮะจากนั้นพระองค์ก็ปอ ง, ป ง, ปงพระเเกษาด้วยพระแสงดาบเกอเยวดาบตัดผมเลยเพราะนั้นพระพระมหกษัตริย์มุ้ยผมนะมวยผมเป็นกระจุกตัดพมลีจากนั้นพระองค์ก็บวชผ้ากาสาวพัทคือผ้าย้อมฝาดผ้าแก่นขนมเนีน่ะ จากนั้นพวกองค์ก็บวชอยู่ตามลำพังแต่ก็มาคิดมาน่าคิดอยู่จุดหนึ่งนะมาน่าคิดอยู่จุดที่ว่าพระโพริษัตว์สีฐานพอบวชแล้วท่านก็ให้นายชนะกับเวียงหวังไปชนะกลับไปเอาม้ากลับไปด้วยนะนี่เครื่องประดับของใช้เอาไปใช้เลยนะเอาไปขายแล้วก็เอาไปทามาค้าขายเอาไป เป็นค่าของชีพของแก่ชนะเครื่องประดับของเราเนี่ยพอพระโองค์สั่งอย่างนั้นนะจากนั้นนายฉันนาก็ได้หอเครื่องประดับกลาง เ, เครื่องทรงของพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็หอเรียบร้อยขึ้นม้าขันตะกะแล้วงั้นเนม้าขันตะกะห่อตะเบึงเหมือนกันพอไปเห็นเอ้าทําไมไม่เห็นโพธิสัตว์ไม่เห็นสิทธัตถะนั่งอยู่บนหลังเลยเห็นแต่นายชันนะนั่งอยู่คนเดียว ม้าตัวนั้นก็เลยคิดถึงพระโพธิสัตว์ อ, อย่างมากเพราะงั้นท่ะนม้าขันทกษัตริยตัวนั้นม้าแสนรู้นะแปลว่าขาอ่อนปวกเปียกไม่เห็นเจ้าของนั่งมาด้วยม้าตัวนั้นก็เลยใจหัวใจแตกตายไงนายฉันนาพอล้มม้าตายแล้วจะนี่ทํำยังไงอานายฉันนาก็คงจะได้หอ่อเครื่องประดับแล้วหอ่อเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์สิทธัตถานะ่ ตะภายเดินต่อมั้งถ้าหลวงพ่อเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าไม่ตายหลวงพ่อก็คงจะถามนายชันนาถว่า เ, ออเป็นไงท่านชันนะเอเมื่อม้าตายแล้วท่านเดินนึกท่านถี่ม้าตัวอื่นปะ่ะออกลับมากรุงกระบินลพัฒกรุงกระบินลพัฒนยไกลเหลือเกินนีะหลวงพ่อก็คงจะถามอย่างนั้นแต่นี่เราพิคารคะเองพิตรารณาเอาแต่จุดนั้นก็ไม่ใช่จุดสําคัญเหมือนกัน จุดสำคัญในเมื่อพระโพธิสัตว์ไปอยู่ในป่าอยู่แม่อยู่ฝั่งแม่น้ําอโนมานะีท่านทําอย่างไรทั้งที่ท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยน่าคิดนะจุดนี้นะท่านมีความสุขเหลือเกินเป็นสุขุมราชาติมีความสุขทุกอย่างในการเป็นอยู่ของพระ อ, องค์แต่ทําไมพระ อ, องค์ไปอยู่อย่างนั้นพระ อ, องค์ทำอย่างไงฮะพระ อ, องค์พระศรี ธ, ธัตถะท่านบอกว่าเมื่อท่านบวชฝันแรกท่านบอกโอ้โห ทำไมมีความสุขถึงขนาดนี้เหมือนกับคนที่มีโรคหายจากโรคไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บแล้วใจของท่านมีความสุขไม่ได้ทุกขระทมกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขแลอเกิดอันนี้เหมือนกับคนมีโรคหายจากโรคเหมือนกับคนมีหนี้หายจากใช้ใช้หี้สินจบแล้วไม่มีหนี้สินอีกแล้ว คือพระพอุทธองค์จะอยู่ในเวียงวังพรอะองค์ก็ต้องในช่วยนั้นช่วยนี้ดูนั้นดูนี้เหมือนกับคนเป็นหนี้ทดแทนบุญคุณหนี้ของคนทั้งแผ่นดินพะคนผายเสียภาษีให้แก่พระ อ, อ, อ, องค์พราะพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้พระองค์หนีออกจากเวียงวังแล้วเหมือนกับคนที่มีหนี้หายไม่มีพ้นจากหนี้แล้วในในสิ่งเหล่านี้พวกเราที่ เคยเป็นหนี้สินพอเห็นนายนายเงินมาในพวกเราคงจะหลบหลบยางไงคงจะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันศิลธรรนะท่านจึงบอกว่าเหมือนกับเรามีหนี้แล้วหายเหมือนกับคนหมดหนี้เหมืนกันแตอิสระเหมืนกันแตที่พระองค์ไปบวชแล้วก็เหมือนกับอยู่ในที่คุมขังอยู่ในเบียงวงังเหมือนกับที่คุมขัง ไปที่ไหนก็ไม่ได้ขยับไปที่ไหนคนก็รู้น้งหมดพระองค์ก็เหมือนกับอยู่ในเวียงวังเหมือนกับอยู่ในที่คุมขังไม่อิสระในการเป็นอยู่แต่บัดนี้เรามาอยู่อย่างนี้อิสระเหลือเกินมีความสุขในการเป็นอยู่ของพระองค์ไม่ฉันอาหารถึงเจ็ดวันไม่สวยพระกายจหารเลยเจ็ดวันนั่งสวยความสุขปีติสุขในตัวเองในการเป็นอยู่ หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบกับพวกนาคทั้งหลายพอมาบวชที่วัดหลวงพ่อพอมาอยู่วัดหลวงพ่อพข้าเนี่ยคิดถึงบ้านเห็นเอนั่งจุกโป๊กเนี่ยนั่งจิตใจเศร้าซึมคิดถึงบ้านไม่งั้นเออคิดถึงบ้านคิดถึงการเป็นอยู่ของตัวเองเนี่ยแหละมันต่างกันกันกบศีทธรรมเหลือเกินศีลธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจา้า พวกเราเป็นสาวกหนึ่งเราไม่มีสมบัติอะไรมากมายแต่พอกลับมาบวชแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงหมู่คิดถึงเพื่อนคิดถึงอยู่ถึงกินคิดจิตใจเศร้าหมองจิตใจเศราซึมโศกเศร้าอบ้าวีอ้างวางงา้างเงี่ยบเก๋าเศรื่ซึมในจิตในใจเพราะฉะนั้นทีท่ามาบวชแต่สิทธัตถะไม่เป็นอย่างนั้นท่านมีมีความสุขร่าเริงในจิตใจ เหมือนกับคนที่มีโรคหายจากโรคคนที่มีหนี้สินไม่มีหนี้สินคนที่อยู่ในที่คุมขังออกจากที่คุมขังเป็นไทยแหม่ไม่เป็นอิสระอย่างเต็มที่นะนนี้แหละคือแนวความคิดของสิท ธ, ธะในวันออกบวชนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้ค้นคว้าศึกษ า, าว่าจะทํำยังไงจึงจะหาทางพ้นทุกข์ได้เหมือนกับค้นคว้าศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะวิทยาศาสตร์เขาจะค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไร เขาคนนั่งคิดไตรตรองเหตุและผลที่ค้นคว้าศึกษาสิทธิฐานจนกระทั่งค้นคว้าศึกษาทางด้านจิตใจของท่านจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีตัวไหนมาเกิดตัวไหนตายอใช่ไหม น, นี่แหละคือค้นคว้าศึกษาอยู่ถึงหกปีวันเดือนหกเพนนนั่นแหะใช่ไหพระพุทธเจ้าประสบความสําเร็จพระพุทธเจ้าสําเร็จอย่างไรพระองค์บอก ว, ว่าท่านนั่งสมาธิก่อนตอนหัวค่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน เนายสุธิยะเดินฐ่านมาเลยมอบย่าคาให้แก่ท่านแปดกำมือจากนั้นท่านก็เกลี่ยอยู่ที่โคนต้นโพจากนั้นนั่นท่านก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแต่เน่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะที่ท่านจะได้ตัดรู้ในวันนั้นน่ะท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวท่านก็รู้ว่าหายใจออกสั้นยาว จิตของพระอง ค, เส Paste, สคมมเ์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งท่นี่จิตเน่งเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพอจิตเข้าสง บ, บความเป็นหนึ่งนะแล้วระลึกชาติโผนหลังได้เท่นี้เกิดยานทัศนะเ Core. นีนเกิดฌานเกิดญานทัศนะเกิดฌานระลึกนะน้อมจิตระลึกทึกถึงชาติโผนหลังได้ระลึกถึงเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงอาทิตย์ก่อนเป็นยังไงเดือนก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงไล่ไปหมดเลยเท่นี้เพราะว่าท่าน มียานมีเครื่องมือเกิดขึ้นในพระไทยในใจของพระ อ, องค์แล้วจนถึงข้ามภพข้ามชาติท่านจึงบอกว่าปุกเพนิวาสารสติญาณและลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เชื่อทำคําสั่งสอนของพระพทุพพทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าพวกเราอยากจะรู้ ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สมหวริศสิทธิ์นั่งสมาธิเลยทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองตายแล้วไม่สูญสิ่งไหนที่มันสูญสิ่งไหนที่มันเกิดเราจะรู้ได้ด้วยตนเองทิง น, นี่แหละเนี่ยบอกปุเพเนว า, านุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะพระพุทธองค์นั่งภาวนากําหนดดูใจของพระองค์ในวันเดือนหกเพนครพระองค์บอกว่า ร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจคือนมามธรรมเนเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอย่างกันแต่อาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านสนใจเรื่องคนขับรถมากกว่ารถรถเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างไางไต่อไปรถมันจะต้องวิ่งแล้วก็แก่หมดสภาพไปเรื่อยๆแต่คนขับรถน่ะสำคัญจะให้นํารถไปในทางที่ดีหรือจะทํานํารถไป ชนคู่ชนคนตกเหี้ยวตกบ่อก็คือคนโจเฟอร์รถทารถโจเฟอร์รถตั้งอยู่ในความประมาทรถคันนั้นก็ไม่ไปสู่ไม่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นพระองค์สนใจเรื่องคนขับรถมากกว่าเท่นั้นั่นแหละท่านจึงว่ามนโนปุพังคมาธรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วดใจใจนั่นแหละคือมนโนคือคนขับรถนั่นแหละใจ เพระนั้นพวกเราผู้บาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าปฏิรูประเทสวาโซจจะปุกเพจจักตะปุญยตาอัตตสัมมาปณิธิให้ใช้เป็นพุตพพาสิทธ่ยกเบื้องต้นว่าปุกเพจจักตะปุญยตาพวกเราที่จะมาเกิดในประเทศไทยปฏิรูประเทสวาโซจะ ปฏิรูประเทศคือประเทศอันสมควรปฏิรูประเทศสวาโซจักือเป็นประเทศที่ไม่โทุรักันดารไม่ทําให้เสียหายเป็นประเทศที่สมบูรณ์ด้วยขอน้ําโภชนาะอาหารเป็นประเทศที่สมบูรณ์ในโลกประเทศหนึ่งในการเป็นอยู่ย่อกปฏิรูประเทศสวาโซจะปุกเพจกกรจะตกตะปุญญาตาพวกเราคงจะเคยทําความดีไว้ในอดีตชาติ จึงได้มาเกิดในประเทศไทยเนี่ยพราหลักของพระศาสนาพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาอย่างที่ว่านะทําจิตให้สงบเราจะรู้ได้ร่างกา ย, ยแตกตายสลายแน่นอนแต่ตัวผู้รู้คือน้ำธรรมนั้นออกจากร่างแนละ้วไปปฏิสนธิที่อื่นอีกนะไม่สูญ น, นะตัวนั้นนะนะนี่แหละปฏิรูประเทศวาสรุปจะปุกเพจจักตถปุญญาตาพวกเราคงได้ทําความดีไว้ในปางก่อน อาตัดสัมมาปณิกธิพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแต่ว่าพวกเราทำตนไว้ให้ชอบนะชอบเที่ยวชอบเล่นชอบอบ า, ายยมุกทุกอย่างพวกเราอาจจะตกต่ำก็ได้แนละเกิดมาพบหน้าชาตนาอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่อาจจะเป็นตกนรกหมกไหมอาจจะเป็นคนทุกคนจนมากกว่านี้ก็ได้ถ้าพวกเราทำตนไว้ไม้ชอบเพราะนั้นพวกเราตั้งตนไว้ให้ชอบประกอบคุณงามความดี เป็นครูบาอาจารย์นว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้สอนสิทธิาณุสิ์สทั้งหลายให้ขอเป็นคนดีเป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งถ้าพวกเราทําดีนะแต่ว่าพวกเราทําอะไรสักแต่ ว, ว่าทําสอนเขาไปในทางที่ช่วยชาติเสียหายช่วยชาติลามกนะนัาจะทําให้พวกเราตกต่ําได้ไง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่มายืนอยู่ในระดับนี้แล้วหลวงพ่อบ่าพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศล เพรานั้นให้พวกเราให้ตั้งตนไว้ให้ชอบถ้าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบแล้วตกต่ำได้ไง่ายง่าตายแล้วไม่สูญอีกต่างหากตายแล้วเกิดในในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราครูบาอาจารย์ท่งางหลายเมื่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้แหมแสดงเลือดแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังขอขอให้นําไปคิดนําไปพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล เมื่อได้พิจารณาใจตรองและเหตุและผลแล้วก็นํามาประพุทธปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้พูดเป็นชาดกนิทานขึ้นมาหัวหน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญต้องเป็นผู้รอบคอบต้องเป็นผู้อเป็นตัวนําเป็นผู้พานําพาดําเนินสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าพาเขาทํำทําในสิ่งที่ดีอยากจะให้ลูกศิษย์ดี ต้องทําดีให้ลูกฉิตดูอยากจะให้ลูกดีต้องทําดีให้ลูกดูอยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องดีก็ต้องทําดีให้คนที่เกี่ยวข้องดูสรุปแล้วก็คือเราต้องเป็นหลักให้แก่ชุมชนและสังคมแต่พวกเราทําตัวไม่ดีแล้วจะให้คนอื่นดีตัวเองก็ทําเร็วย่างนั้นไม่ได้นะผิดหลักของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสยามผูป็นเอกนาถูเป็นผู้พาดําเนินพวกเราจึงได้ดําเนินตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติพระองค์เป็นผู้เข้มแข็งนะโแน่นอนพวกเราทันทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้นํามาประพฤติปฏิบัติอ่านะนะนะการพูดการแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าสม ค, ควรกับการเวลา